ทางทำกันรับอรุณเราก็ได้พักผ่อนหลับนอนมาพอสมควรตื่นเช้าขึ้นตรงตรีศเราก็มาสวดพระสูตรตรรมเชาสาธยายพระสูตรเราก็แสดงออกทางกายวาจาใจเพื่อเตรียมความพร้อม เหมือนกับการชำระล้างชีวิตจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะย่อมเหมือนกับจะยอะะ่อมผ้าสักขังสระก็ย่อมเอาสีาต่างๆที่ประสงค์ก็ย่อมทบได้การฟังธรรมเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ทุกชีวิต พระมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ดีจริงจริงเป็นของใครเพิ่มเกินก็ไม่ได้แย่ไขก็ไม่ได้ไม่ต้องไปใช่เหตุผลอะไรแยกแยะเาหลงเข้าถึงความหลงทำไมนจึงหลงหลงเป็นยังไงทุกเป็นยังไง โกรธเป็นไงไม่ต้องแปเพิ่มไปเติมประโกรคือโกรธทุกคือทุกหลงคือหลงรู้คือรู้ตอดไว้ดีเป็นการศึกษาปฏิบัติพึงกระทําด้วยตนเองถ้าหลงเองก็แยกความหลงเป็นความรู้เองถ้ามันทุกก็เปลี่ยนความทุกเป็นความรู้เอง การกระทําด้วยตนเองไม่มีใครช่วยเหลือได้หลงก็ไม่มีใครรู้กับเราเราลู่คนเดียวรู้ก็ไมนเช่ใครจะรู้ให้เราเราลู่คนเดียวเป็นการศึกษาปฏิบัติได้ให้ผลดได้ไม่จํากัดการถ้าหลงไม่ต้องหาโอกาสอื่นปีหน้าชื่อแก้ความหลงดวนหน้าวันหน้ากลางคืนกลางวัน โน่นนี่ไม่ใช่หลงที่ใดก็หลงรู้ตัวที่นั่นได้ปฏิบัติได้ถ้าหลงไม่หลงก็ได้ถ้าทุกไม่ทุกก็ได้ถ้าโกรธไม่โกรธก็ได้ลองเปลี่ยนกันดูเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาเป็นสิ่งที่ควราน้อ ม, มาเส่ลองอะไรที่มันถูก น้อมมาน้อมเราไปหาทาขึ้นมาอย่างที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเวลามันหลงน้อมความรู้เข้ามเ า, มาเวลามันโกรธน้อมความไม่โกรธเข้ามาให้มีความรู้สึกตัวเป็นจริงที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอยอปฏิเสธอันจิงที่ถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้น้อมมาใสยตัว เป็นริงที่ประกาศท้าทายนี่คือความหลงนี่คือความรู้นี่คือความทุกข์นี่คือความไม่ทุกข์เชิญมาดูอยากให้คนอื่นมาดูความไม่ทุกข์ก็มีความทุกข์ก็มีไม่ต้องไปหมดหวังไม่ต้องไปพาดโอกาสถ้าเวลามันหลงไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรูเม้เป็นการพลาดไปแล้ว เสียหายไปแล้วเหมือนกันเราสร้างงานสร้างการนี่มันผิดตรงนี้นี่มันควรจะทำอย่างนี้ถ้าตรงที่มันผิดไม่แก้ไขมันก็ผิดเรื่อยไปความหลงเป็นความหลงเรื่อยไปความโกรธเป็นความโกรธเรื่อยไปความทุกข์เป็นความทุกข์เรื่อยไปถ้าเรารู้จั ก, จกแก้ไขความหลงกลายเป็นปัญญาปัญหากลายเป็นปัญญาลด้เราจึงว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนแปลง มาเปลี่ยนมาดูแลมาลู่เห็นเพราะเห็นไม่ใช่คิดเห็นมันก็หลงต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยมันก็สุขก็ทุกข์ต่อหน้าต่อตาเราเนี้เราเป็นคนเห็นเองเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยตนเองใครจะรู้ให้กันไม่ได้ใครจะเปลี่ยนใครจะช่วยตัวเองให้เราเป็นอย่างโน้นจากนี้เวลาเราต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นปัจจิตตัง นี่คือพิทยาศาสตร์ในทางชีวิตเราไปโกรธทำไมไปหลงทำไมไปทุกข์ทำไมจึงมีการมาศึกษามาปฏิบัติมันทําได้อยู่ไม่ใช่หลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายถ้าเราอยู่ในสภาพเพี้ยนนั้นไม่มีค่าเลยชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตเลยถ้าโกรธก็ไม่ใช่ชีวิตแล้วถ้าทุกข์ก็ไม่ใช่ชีวิตแล้ว ชีวิตมันต้องเป็นปกติชีวิตที่สุดยอดคือไม่เป็นอะไรให้เข้าถึงผอมไม่เป็นอะไรให้ได้ในชีวิตนี้ตั้งแต่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายประมาทไม่ได้เป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเราแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเมื่อนาแล้วโดยชาติยาโดยความเกิดชะลาโมเรณะโดยความแก่ พยายามวันไหนนะโดยความเพียรมื่ลนามันนะรอยความตายเราจะต้องไปรอวันเจ่วันเจ็บวันตายให้มันเหนือก่อนเดี๋ยวนี้มันเหนือได้มาศึกษาชีวิตเนี่ยมันก็มีหลักสูตรอยู่แล้วรูปคำได้จับต้องได้เช่นกายยานรปัญนามีสติดูกายมันก็เห็นไงาตาในตาในดู เห็นเห็นแล้วไม่เป็นไปกับกายมันแสดงอะไรก็เห็นดูมันจนเห็นว่าจนตอบได้สติมันตอบทักท้วงตายสักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นการทักท้วงโต้อตอบเหมือนคนพ่อบ้านไล่หมูไล่หมาไล่เป็ดไล่ไก่ไม่ให้มันว่าทําเสียหาย ควาหลงก็ทำให้กายใจเสียหายผิดพลาดได้ตัวใหญ่ตัวโตก็คือความหลงการปฏิบัติธรรมนี่พิชิตความหลงเป็นหมายเลขหนึง่งเห็นทันทีไม่ได้ไปหาควาหลงก็เกิดขึ้นโง่โงไม่เฉลียวฉลาดเหมือนอยงเจ้าชุกสนเวลามันจะกัดมันก็ชุกสนลูกดี้ลูกหลน่น มันก็ตูกฆ่าตายสำหรับผู้ที่ป้องกันตัวไล่โยงชีวิตเราสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลบันกู้ๆ้ไม่เหลียวฉลาดอะไรและก็ไม่ได้หาเวลาเราโดูมันก็ามาให้เห็นเข้าแถวมาเข้าแถวมาเป็นหมู่หวงหลง ปเป็หมู่แห่งอกุศลต้องโทษจากความหลงเราจึงสวดจงละทำดำเสียแล้วเจริญทำขาวเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เราก็ละแล้วความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันกเจริญแล้วเราต้องสอบอารมณ์ตัวเองการสอบคือผ่านถ้าสอบไม่ผ่านไม่ถือว่าสอบไม่ผ่านถือว่าไม่ได้ทําไม่ได้ พระธรรมีปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการถ้ามันหลงลูกนะทําได้แล้วปฏิบัติได้แล้วผ่านแล้วผ่านได้แล้วเรียกว่าโศปรลมก็จะเจ็งเรื่อยไปอยากให้มันหลงความหลงนี่เป็นความลึกซึ้งสัมผัสเห็นแค่สมนําหน้าเหมือนกับเราเห็นอะไรที่เรา จะแ้่ไข่เช่นอย่างรดมันรั่วเราไปปายางรดนายช่างเขาดูหาหาจุดที่มันรั่วเอาไปเช่น้ํำสกลรกแช่น้ํามันก็สแสดงกนายช่างเขาก็เห็นก็อะไรไปเสียบไปแล้วก็เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ ว, ลวการเห็นแล้วเนี่ยเรียกว่าแช่ไขได้เหมือนหมอ ดูสมมุติฐานของโลกเจ็งดูโลกมันออกเมื่อดูโลกออกก็ใช้ยาแช่ไข้โลกนั่นได้เจ็งที่การดูโลกไม่ชิเจ็งนี้การลูก่ย่าอ๋อที่เจ็งอ่ะดูโลกออกสมมุติฐานของโลกมันเกิดจากอะไรเป็นโลกชนิดใดงั้นหลงตาเป็นโลกไปหาโลกอยู่ตั้งหลายวัน เกือบจะตายไปเขาก็ส่องกล้องก็กเดินท้องต่อมทุกอย่างวันที่ตุดก็มาตัดเแล้วก็เนื้อราพอไปตรวจเราก็รู้แล้วอ่ะนี่คื อ, ก, อ, อก็เนื้อต่อมน้ำเหลืองก็เนื้อโตเร็วตันคอไม่กี่วันเรารู้แล้วอ่ะนี่เป็นต่อมน้ำเหลืองก็เนื้อโตเร็วลุกลามไปถึงตับปวดท้อง เหตุที่มันปวดท้องเพราะก็อนเนื้อมันลูกหลามไปตำต่อมน้ำเหลืองเข้าสู่เส้นเลือดไปสู่ตัอบอ่อนนี่เขาก็รู้แล้วแล้วเขารู้แล้วก็ลู้จ่าใช่กีโมตัวใหม่เข้าไปเลยเพื่อจะกัดก้อนเนื้อตัวเร็วให้มันยุบลงหมดไปแล้มก็หายได้อันระษาอะไรความหลง ไม่มีวัตถุสิ่งของเดืินมาช่วยมีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่หลงมันก็มีอยู่แล้วไม่ได้ไปหาไม่ใช่เครื่องมือที่หนึ่งที่สองเอาในตัวมันเลยเหตุด้วยความหลงเปลี่ยนความหลงลเป็นความรู้เป็นผลทันทีเป็นเหตุเป็นผลถ้ามีความหลงมันก็มีความรู้ ขวบลูกก็มีผู้ศนไปแล้วฉลาดไปแล้วเงินพระพุทธเจ้าปัสจลูกอริยสัจสี่ 4. เห็นทุกเห็นทุกเป็นเหตุเราทุกเป็นผลทุกมันเป็นผลสมุทัยเหตุที่ทําให้ทุกเป็นสมุทัยอะไรที่ในโลกนี้มิตรเหตุกับผลไม่ใช่โลโกรธไม่ใช่เราทุกก่อนที่มันโกรธก่อนที่มันจะทุกมันหลงก่อน บางคนไปเจ้าความโกรธไ่ถูกต้องไปด่าเขาไปทําลายเขาทะเลาะกันไปตีไปฆ่าเขาไม่ถูกต้องคนเราโกรธไม่ใช่ไปฆ่าเขาต้องเปลี่ยนความหลงของเขาเขาหล ง, งเขาจึงโกรธเบื้องหลังของเขาจริงๆตัวหลงเราไม่ได่ไปโกรธด่าเขาถ้าเบื่อก็เบื่อความโกรธอยู่กับใครก็เป็นอย่างนี้ กับเราก็เป็นอย่างนี้นมันคือความหลงเหตุมันอยู่ที่ความหลงมันจึงทำทั่วผู้ชั่วชิดชั่วเนี่ว่าเหตุปัจจโยโยถาปัจจิจึงตัดให้สารีบุตรฟังว่าทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับว่าดับที่เหตุอย่าไปตีโผล่ตีพายทําไมจึงหลงทํำไมจึงหลง พอเกิดความหลงก็เป็นผู้หลงความเครียดพู้ว่นวายไปเลยไม่ใช่แทนที่จะหัวเราะความหลงมันเป็นของดีจะได้รู้ว่ามันจะได้พ้นจากมันเหมือนเราเห็นงูโดจะได้พ้นจากงูก็เห็นแล้วสภาวะที่เห็นเนี่ยเป็นสภาวะที่ดูเป็นจึงเห็นเราจึงมาดูกายของเราเคลื่อนไหวไปมานี่ให้มันเป็นหลักเป็นฐาน เป็นเสาเขื่อนเอาไว้ตั้งเอาไว้เหมือนเสาเขื่อนเหมือนหลักปักอยู่ในน้ำที่มันไหลน้ำมันไหลไปเท่าไหร่แต่เสายังปักอยู่อันน้ำที่มันไหลไปมันเป็นน้ำใหม่ไหลมาน้ำเก่าไหลไปชีวิตของเรามันก็มีสันตติการเกิดขึ้นพันดเดรรไหลไป มันไหลไปอยู่เลยแล้วก็เห็นมันอยู่เห็นมันอยู่การมีสติเป็นการทวนกระแสก็จะเจ๋งขึ้นเจ็งขึ้นหรือเหมือนกับสัน ต, ติเหมือนกับทานน้าทานทะเลไหลไปมันกับน้ำที่มันไหลมีสติที่ได้ลู้ลู้เหมือนกับทิ้งสอทรายลงไปทานน้ำไหลกระอบหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่มันยังทําหน้าที่อยู่ในน้ําอยู่พิชลองไปเลยพิชลองไปเลยมันก็เต็มขึ้นมาได้มากขึ้นมาได้ได้เป็นเขื่อนได้เล็กขวางกั้นน้ำน้าก็อยู่ได้เราลู่ทีหนึ่งเราลู่ทีหนึ่งนะมันไม่ใช่เสียหายแต่เราอย่าประเมินเมื่อไรมันจะลู่เมื่อไรมจะเป็นยังไงอย่าไปหาเหตุนานะผลคิดนานเท่าไหร่ เมื่อเป็นเป็ น, ปนยังไงเมื่อลูกเจรลูกอย่างไรไม่ต้องไปคิดเหตุผลอะไรเมือนเราจินข้าวหิวข้าวหิวข้าวต้องปเป็นมีจีวิยาที่จินข้าวเืินลงไปเชี่ยวลงไปเกืนลงไปทิละคำมันก็อิ่มเองความรู้สึกตัวที่เราประกอบจุดนี้มันก็มากขึ้นมากขึ้น ความรู้สึกตัวมันมากขึ้นความหลงก็น้อยลงลือหมดไปได้นี่คือกรรมที่มันศักดิ์สิทธิ์เป็นกรรมาฐานกรรมาฐานเช่นนี้ไม่ใช่พ้อนวอนวงสรวงพิธีกรรมไม่ใช่เป็นาการกระทําลงไปถึงกายถึงใจเป็นการแสดงธรรมถึงกายถึงใจทันที ล้วก็มีกายมีใจอยู่ไม่ใช่ไม่มีกายใจนี่ก็เป็นรูปทำเป็นนามทำเอารูปมาทำดีเอานามมาทาดีเอารูปมารับความชั่วเอานามมารับความชั่วมันก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนไม่ใช่เรื่องปาถนาไม่แต่อ้อนวอนกราบไหวสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหว เขาบอกให้ประพฤติรมก็กำหูอยากได้บุญก็ไปชื่อเอาเหมือนพระโสะโกริวิตะเป็นลูกชายเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกดโกดพอบวชมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรงจนเท่าแตกเอาป่าเท่าเดินผ่าเท่าแตกย่องเอาไปเท่าแตกเอาส้นเหยียบส้นเท่าแตก เอาข้างแขงเดินไปข้างเท่าแตกน้อยใจลอยเลือดผลเช่นทางโดนจงกลมพระปาเห็นเขา้ามาดูเท่าโสนะแตกหมดลอยโสนะก็น้อยใจคงไม่ได้เรามีเงินมีทองเยอะจะต้องศึกไปทำบุญทำทานเอามรรคผลนิพพานเนี่ย ไม่ใช่โอกาสที่เราจะมาปฏิบัติไม่มีใครทำยากถึงขนาดเท่าแตกจงเท่นทางเดินกรมแดงไปหมดเลยก็น้อยใจไปกราบลาผู้ที่เจ้าตอลาศิกขาจะไปทําบนอรกสั่งว่าสร้างวา่งวาวผู้เจ้าก็ถามโสนะโสนะเธอเคยทรงโดนตีหรือสมัยเป็น หนุ่มโสนาก็เป็นนักเล่นด น, นตรีเมื่อเธอต้องการทําดนตรีของเธอ ส, สดใสดนตรีของเธอมันตึงเกินไปมันจะได้เสียงเพราะไหมมันก็ไม่ได้เสียงเพราะถ้าหย่อนเกินไปมันจะได้เสียงเพราะที่ต้องการมันก็ไม่ได้แล้วเธอควรทำไงต้องเอาพอดีพอดีหามปลาลูกขวา ง, าปงเปลี่ยน การทำสิ่งใดต้องมีความพอดีไม่ใช่ทุกขาปฏิปทาทโทรมานลำบามันก็รู้ได้ยากสุขาปฏิปทาทำอ่อนแอเกินไปนก็รู้ได้ยากต้องทําพอดีพอดีพอดีเวลามัผิดอย่าเป็นผู้ผิดเห็นมันผิดมันก็พอดีถ้าเป็นผู้ผิดมันตึงเกินไปถ้ามันถูกก็เออตรงนี้ถูก เออหย่อนเกินไปแล้วเออนี่ชุกนี่ดีนี่ไม่ดีมันตึงมันหย่อนเวลาใดที่มันหลงแหวกเกาหัวหยากข้ามเคียดขึ้นมาเวลาใดมันรู้มันสงบยิมย้มเย่ยเฉยเฉยมันตึงมันหย่อนเหมือนหลวงตาสมัยปฏิบัติใหม่ๆ ม, มีพระหลวงตาองนั่งไปอยู่ด้วยแล้วก็นั่งสร้างจังหวะอยู่ เราก็เดินยูกลมอยู่มันเป็นเขาเราเดินอยู่ที่สูงกว่าท่านนั่งอยู่ที่ต่ํากว่าเสียงเอาลองเท้าตีหัวตัวเองเป๊บเป๊บเป๊บเป๊บมองไปดูเห็นเอาลองเท้าตีหัวตัวเองเราก็เดินไปถามเป็นไงหลวงพ่อไอ้บ้าเลยไม่คิดอะไรไม่รู้คิดแล้วคิดอีกมันคิดอะไรเนี่ยเอาลองเท้ามาตีหัวตัวเองอ่านนี่ว่าตึงเกินไป มันดับมบนคิดแล้วไม่ใช่คิดเฉยๆแล้วจนไปมือแปอลลงเท่ามาตีหัวเอ า, วาหัวนี่มันเป็นตัวเหตุที่มันคิดทีุ่เท็มันคือความหลงแทนที่จะทําแบบยิบๆหัวเละความหลงนี่คือหลงนี่คือรู้ให้มันชัดเจนให้มันเห็นแบบชัดเจนมันจึงพอดี เห็นน okay. no no no ี่มันพอดีเห็นนี่คือมัจมัชฉิมาปฏิวัติคือมันเห็นการเห็นนี่มันไม่เป็นอะไรมันเป็นกลางมันเป็นธรรมถ้าเห็นแล้วก็หลุดพ้นแล้วถ้าเป็นมันก็ไม่หลุดพ้นเป็นผู้คิดไม่มีทางหลุดพ้นเลยเป็นผู้ไม่คิดไม่มีทางหลุดพ้นเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกไม่ใช่ทางหลุดพ้นตรงนั้น เห็นมันผิดเห็นมันถูกเนี่ยทางหลพดท้นอยู่ตรงนี้เริ่มตามทางไปเรี่ยวมักมักไปว่าดูเราจงมาดูกายเนี่ยเห็นเนี่ยมักแล้วเห็นมันง่วงเห็นมันคิดเห็นมันเจ็บเห็นมันทุกข์เห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นเมื่อยเห็นมันเดียวเลยผ่านได้ตลอดไม่มีอะไรขวางกันได้ถ้าเป็นเราไปไม่รอด ขวางกันแล้วหนักหนาชิ้นเห็นกายเป็นกายกูร้อนกูหนาวกูหิวกูปวดกูเมื่อยกูยากกูง่ายกูลําบากมันขวงกันแล้วเห็นเห็นรูปเห็นกายเห็นเป็นรูปรูปทำเนาะน้ำทำเนามันทําดีมันทําชั่วมันเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นรูปเป็นความเป็นธรรมของรูปแล้ว มันร้อนเป็นมันหนาวเป็นขอบคุณความหนาวความร้อ น, นไม่ใช่มาเป็นสุขไม่ใช่มาเป็นทุกข์อะไรก็ตามอย่ามาเป็นสุขมาเป็นทุกข์ให้เห็นมันสุขให้เห็นมันทุกข์นี่แหละมัง่ายง่ายลัดลัดทางลัดสู่การพ้นทุกข์คือภาวะที่เห็นนี่ไม่ใช่ภาวะที่เป็นนั่นมาเนิ่นช้าเนิ่นช้าไปแล้วคงไปแล้ว เที่ต้องคงเทีต้องโยนหนหลมัจจิคำํำมู้เต้พัวบักป่ามัจจิสาคําท้างพวบักหว่าเคยบรรสุกบรทุก ส, สุขก็ชอบใจเอาแล้วอยู่ตรงความชอบใจอทุกก็ไม่ชอบใจเอาแล้วอยู่กับความไม่ชอบใจความชอบความไม่ชอบมันเป็นลสของโลกจงหนีจากโลกไม่ได้ถ้าเห็นนี่เหนือโลกไปแล้ว ไม่เป็นที่เหลือโลภไปแล้วรัดรัดเข้าไปตรงนี้เป็นตรงที่สะดวกรัดเข้าไปรัดเข้าไปดูแล้วเห็นเห็นแล้วไม่เป็นดูแล้วเห็นเห็นแล้วไม่เป็นไม่เป็นผู้ผิดไม่เป็นผู้ถูกใช่มันผิดเห็นมันผิดอย่มันถูกห็นมันถูกมันสงบเห็นมันสงบมันไม่สงบเห็นมันไม่สงบพอใ่เป็นผู้สงบ ไม่ใช่เป็นผู้ไม่สงบวันนี้หนูเครียดวันนี้ง่วงนอนเป็นหนูเป็นตัวเราซ ะ, สะแสดงใบหน้าเครื่อเครียดไม่มีรอยยิ้มสักหน่อยกอเราไปช่วยเหลือกรรมาฐานกรไม่พูดอย่างนี้ให้ดูมันไม่ต้องพูดอย่างนี้ดูมัน มันเครียดเห็นมันเครียดอย่าเป็นผู้เครียดถ้าเป็นแล้วมันไปไหนไม่ได้ยังถูกไม่ได้ไขกุญแจแจ้สู้ยังติดหลักอยู่เห็นมันเครียดเห็นมันง่วงอันนี้ฮะเรียกว่าไขกุญแจเจ้สู้ค่อยหลุดออกค่อยหลุดออกจิงยากายเป็นของง่ายจิงนากายเป็นของเบาถ้าเป็นแล้วมันหลักถ้าไม่เป็นมันเบา วางก็เบาเ้าเอาก็หนักเป็นผู้หลงเป็นผู้สุกขเป็นผู้ทุกข์เป็นทุกข์ขาปฏิปทาทันทะาปัญญาปฏิบัติยากรู้ได้ยากปฏิบัติสะดวกคือเห็นเนี่ยสุขขาปฏิปทาปฏิบัติสะดวกสะดวกรู้ได้ง่ายแล้วทันยังไงกรรมฐาน่ะต้องบทได้บทเรียนจากตัวเอง พลิกแพงดูอะไรที่มันเก่าก็ให้มันใหม่เช่นนั่งนานมันเก่ามันพา้าเหมือนเราลืนตามองนานนไม่กระพริบตามองอะไรมันก็พาพระกระพริบตาสักหน่อยหรือนวดตาสักหน่อยหรือเราเฉยแว่นมันไม่ตรงเลนขยับแว่นสักหน่อย การดูอะไรที่เราสร้างที่ดูอยู่เนี้ยมันเพราผ้าตั้งต้นใหม่จนเรานั่งทักจังหวะนั่งไปนั่งไปยกมือไปสี่จังหวะมันไม่รู้วางใหม่ตั้งต้นใหม่เอามือวางไว้ใหม่หายใจสักรอบสองรอบก่อนยืดตัวขึ้นมีพลิกแขงบ้ง่งอย่าโง่ๆซือบือยืดตัวขึ้น อาจจะมองไปไกลๆชั่งหน่อยท้องพ้าต้นไม้ทิศทางแต่ว่ามีความรู้สึกแล้วค่อยมาตั้งต้นใหม่มาเชนั่งนานๆจนหลังขดหลังงอก็้าไรู้จบตั้งต้นใหม่กลายเป็นคนหลังงอไปเลยอ็กรรมฐานบางแกะบางแกเสียหลกตลกตรงนี้ก็ใช้ชีวิตไม่ค่อยถูกต้องออดทีไปแข่งขันกันนั่งแปดชั่วโมง หุยโอ้วดนั่งเลยแปดชั่วโมงไม่ใช่นั่งด้วยความหลงหมกมุ้นคุณคิดเรื่องอะไรแชั่วโมงไม่มีประโยชน์เลยถ้าหมนหลงถ้ามหมดนมกุ้นคุณคิดไม่รู้จักรู้สึกตัวมันก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าหมดหมกมุ้นคุณคิดไปรู้สึกตัวเปลี่ยนเป็นเสพติดรู้น้อยน้อยก็ดีช่วยช่างสะบัดหูช่วยหูแอบลิ้น เราทำกรรมฐานกันยังไงทำตัวเองยังไงได้ผู้เรียนจากความหลงได้ผู้เรียนจากความถูกความผิดไหมเห็นมันผิดเออรู้เห็นมันถูกรู้เห็นมันสุกรู้เห็นมันทุกรู้เห็นมันสงบรู้เห็นมันพุ้งซ่านรู้ภาษาอะไรอะสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ก็รู้แล้วสิ่งนี้รู้แล้วนี่คือหลงนี่คือรู้นี่คือสุกนี่คือทุกนี่คือสงบนี่คือพุ่งซ่น เห็นหน้ามึงแล้วเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ชี้หน้าปั๊บผ่านตาแต่ละรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าใช่เอ๊ะทําไมทําไมทําไมในเรื่องการบ้านแล้วนักกรรมฐานเนี่ยอืมนะเออใช่ไหเออคือรู้แล้ววิปัจนาคือถึงบางโอ้รู้แล้วอ๋ออ๋ออ๋อคำเดียวว่าใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทาไม่ทำไม่นักกรรมฐานไม่มีควาว่าทำไม่ถ้าจะพูดออกบางสักคำก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือวิชากรรมฐานที่ช่วยให้ความหนักให้เป็นเบาความยากเป็นง่ายไม่เป็นไรถ้าจะมันแสดงออกจริงๆอะเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวมันหนัก ถ้าไม่เป็นไรมันเบาๆทางอะไรก็ตามไม่เป็นไรเบาถ้าไม่ไหวมันหนักมากนะอันนี้ก็พูดห้เป็นส่วนประกอบไม่ใช่ปีจำเอาเอาไปใช้ลองดูเอาไปใช้ลองดูเร า, าเห็นเราอย่าเป็นเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกไม่ใช่ ให้เห็นวันผิดหเห็นมันถูกเขาก็ไปเรื่อยไปเหมือนกับท่อนทงที่ไหลาตามแม่น้าไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไหลล่องไปไหลล่องไปก็ถึงทะเลถ้าทะเ ล, เลมหาสมุทรเป็นมรรคผลนิพพานเอียงไปอยู่มรรคสุขนได้าต่ท่อนทงท่อนใดไปติดฝั่งซ้ายไปติดฝั่งขวาไปไม่ถึงไหนบางทีเขาถูก มานเอาขึ้นฝังไปล่าไปช่ำแหล่ได้ฝั่งซ้ายคือไม่พอใจฝังขวาขวามพอใจบวกปวกลบลุยินดีเดียวฝั่งขวายินเลยว่าฝั่งซ้ายฮิตแล้วว่าฝั่งซ้ายถูกเตัวฝั่งขวาผิดผิดถูกถูกได้ได้เสียเฉื่อไม่ใช่ล่องไปเลื่อยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นหวันเห็นหวันเห็นหวันวันทจบเห็นหวันวันทุกข์เหินหมัน นี่พระอรหันต์บางลูกก็นั่งอยู่บนเขาฝั่งแม่น้ําเห็นท่อนจงไหลมาก็ไหลไปเอาท่อนจงเป็นบทเรียนก็นมาสอนตัวเองภิกษุณีบางลูกเห็นขวนช่างเอาช่างลงอาบน้ําขวัช่างยืนอยู่บนฝั่งที่เขาชี้กูดเขาชี้กูดเนี่ยมันมีน้ําอยู่ข้างๆ ทิกนีก็เห็นเห็นควนช้างยืนอยู่บนฝั่งบอกนะบอกช้างลงนาช้างก็ลงไปนะบอกให้ชา้างล่างหลังล่างข้างล่างท้องช่างก็ดูดน้ําพ่นไปหลังปูควนช้างก็บอกล่างข้างซ้ายต่างก็ดูดน้ําปูนไปข้างซ้าย ก่อนช่างบอกว่าล่างข้างขวาช่างก็ดูดน้ําพ่นไปข้างขวาบอกว่าล่างทง้องช่างก็ดูดน้ําพ่นไปในท้องตัวเองล่า ง, างรอบรอบตัวก่อนช่างก็บอกขึ้นมาช่างก็ขึ้นมาคนช่างก็บอกไปนวดไปนวดตัวนวดข้างนวดท้องนวดหลัง ส้างก็ไปนวดกับต้นไม้ยังมีวัตถุอุทยานหินช่างสีผาช่างสีอยู่ที่ฟองนีบเคยไปขอต้นไม้มาปูอุทยานหินช่างสีหินช่างสีมันคืออะไรฟังรู้เรื่องหินช่างมันสีช่างมันสีหินเนี่ย เวลามันลงหน้ามามาสีสีข้างข้างสีข้างขว้สีท้องเอ็นหลังใส่เอจ้างมันก็นวดตัวมันภิกษุณีเห็นเห็นนั่นโอโ้โหจ้างนี่อะมันเป็นจัดเต็มทําไมสอนได้เราเป็นภิกษุณีเนี่ยมันดื้อด้านขนาดสอนตัวเองเนี่ยเอามาฝึกตัวเองจนเป็นพระอรหันต์ได้เนี่นะก็ะไปเห็นเหมือนกันกจ้างแสดง ดันไปเทศที่สุรินเขาพอไปดูบ้านช่างมาันมาแสดงหลายฉากจากแลมก็ถือกัดซ้ามาขอเงินพาลูกอ่อนมาเดินขอเงินพราะเรากันอยู่ตามจัดแต่งอยู่ตามมันถือก็ต่อมัยื่นใส่คน น, ค น, นั่งคนนคนโกรธไม่ได้นะลูกน้อยก็ดือ้อจบให้เส บ, บ่าท้อเต็เมกระตาเลยซ่ามาขอเงิน หน้าตาน้ําตาไหลคล้ายมันล่องเก่งล่องให้ปากบิดปากเบี้ยวไปขอทานเนอะเจ๊ใครว่าปากมันหน้าตาเขาเศร้าๆลูกกระรับตาปีปีเหมันคนขอทานอลูกไปขอทานคนเห็นก็อดไปได้เพราะเห็นนี่ตเออจากที่สอง ม, มันกําลังยืนบนเก้าอี้เก้าอี้เล็กๆเนี่ยมันยืนขึ้นยืนสี่ขา ยืนเจ็ดขาแล้วกนยืนสองขายกขาหน้าขึ้นแล้ก็ยืนเอาขาหน้าลงยกคนขึ้นอ้าวมันแสดงอะไหลายฉากที่มันจ ะ, นจะอ่านี่เราฝึกตัวเองเนี่ยเนาะมันหลงเฉยๆเนะี่ยไม่ขี่ช่างขี่ ม, ามา้ามาความหลงนะ่ะความโกรธมันมีดาบสะตาบูดแบบนี้ทำไมยอมเสือเปรียบบานมันไม่มีอะไรมันโกรธมันทุก ความคิดความหลงเท่านี้เองนี่แหละคือเหตุปัจจัยเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือจัดสีทุกสมุทัยโลดมั่งนี่เท่านี้<ม>เป็นหลักสูตรที่ทฤษฎีไปใช้กับชีวิตได้ทุกรูปแบบเป็นทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่ทฤษฎีจบจบสถาบันมหาวิเลยที่ไหนมาทฤษฎีในชีวิตเราเนี่ย ทำให้พิยมทุกยมโูยยมหลงอยู่จนตายหรือแอ้ที่เป็นขั้งสุดท้ายนะข อ, อพู ด, ดแรงๆหอ้ยิบมันก็นานเหลือเกินอยู่ที่นี่นานแล้วเกินจนจะหมดจนตายไปแลว